เ, <อ>เมื่อเช้านี้ก็ได้พูดไปหน่อยหนึ่งว่าคนเราเนี่ยจะคิดแต่เรื่องการอยู่ดีหรือการมีชีวิตที่ดีเนี่ยยงเดือดไม่พอต้องคิดถึงเรื่องการตายดีด้วยเพราะว่ามันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเรานะความตา ย, เ, ยเมื่ออยู่ก็อยู่ให้ดีให้มีประโยชน์ มีคุณค่าปรอกอบด้วผกุศลเมืม่อจะตายก็ควรจะตายดีแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ในทางจิตใจของเราตายดีเนี่ยสงสัยมันผ่านหมดนะ แต่นะตายดีเนี่ยหมายความว่าอย่างไรถ้าถามเราแต่ละคนว่าตายดีหมายถึงอะไรเนี่ยคิดว่าคงจะตอบแตกต่างกันไปบางคนก็จะตอบว่าตายดีคือ ตายโดยไม่เจ็บไม่ปวดตายกันหลับตายไปเลยเช่นนอนอยู่แล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอันนี้คือความตายดีที่เป็นอยอมปรัชานาของหลายคนบางคนก็คิดว่าตายดีคือตายโดย อวัยวะครสอบสวยอันนี้ก็ุ่มถึงบอกว่าพวกตายนีเนี่ยก็หมายถึงการที่ตายท่ามกลางคนรักตายโดยอยู่ในสิ่งวันล้องที่สิ่งหกธรรมชาติที่งดงามตายท่าม ก, กลางญาติพี่น้องลูกหลาน ที่มีความสามัคคีกันตายโดยที่ไม่สร้างภาระให้กับลูกหลานไม่ทำให้ลูกหลานทะเลาะ อ, อแ่แว่งกันเรื่องบาราดกเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องงานศพตายดีสะหรับคนก็หมายถึงการตายอย่างมีคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็เป็นกลุ่มนึง กลุ่มแรกเนี่เรียกว่าอัตอมาเรียกว่าการตายดีในเชิงกายภาพก็คือเอาเรื่องของร่างกายเป็นหลักไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ปวดสบสวยการตายดีกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือตายดีในเชิงสัมมตภาพก็คือว่าตายทำกลาง ทุกหลานคนรักตายยังมีประโยชน์มันมีการตายดีกรุ่มหนนะก็คือตายแบบไม่ทุรนทุรายตายลับสงบตายโดยไม่มีความกังวลตายโดยที่ไม่มีความสึกผิดติดท้งใจตายด้วยใจที่เป็นกุศล ย่งหลังนี่แหละนะกลุ่มหลังนี่แหละนะที่เราเรียกว่าเป็นการตายดีในในเชิงจิตใจคือเอาคุณภาพจิตเป็นตัววัดจะตายที่ไหนไม่สาคัญจะตายด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่สาคัญไม่จะตายคนเดียวก็ได้หรือว่าตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้หรือว่า แม้กระทั่งตายบนท้องถนนก็ยังได้ถ้าใจสงอันนี้คือการตายดีในพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยจะจะดูตรงนี้นะอย่างนางสามาวดีเทะมาได้กล่าวถึงเมื่อเช้าเนี่ยสดก็ไม่สวยนะกเป็นต่อตะโกเพราะว่าถูกไฟครอกเนื่องจากถูกกันแกล้ง แต่แน่นอนันก็ยังมีความเจ็บความปวดแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยได้กล่าวถึงการตายของนางสมาวดีว่าเป็นการตายที่ดีเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าคือสารเสพิดการตายของนางซึ่งสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่อยากตายแบบนี้ถูกไฟครอบศพดัง มีความเจ็บความปรดแต่สานาสวดีเนี่ยสามารถจะรักษาใจให้เป็นปกติได้คือนอกจากจะไม่โกรธไม่แค้นานางมาคันธียาที่ไปหลอกให้เธอต้องติดอยู่ในปราสาทที่มีที่เก็บเสื้อผ้าเรียกว่าคลังผ้าแล้วก็เผ า, าไฟคลอกเธอ นางสามออดีไม่โกรธให้อภัยนอกจากไม่โกรธ น, นอกจากแห่ภัยแล้วเนี่ยนางก็เรียกว่าทำำาํากรรมฐานเอาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนาเร่องที่นี่คือทุกขเวทนาเอาเวทนาเป็นอารมณ์มาว่าอย่างไรก็มาเขาว่าดูความปวดที่เกิดขึ้น ดูโดยใช้สติเข้าไปดูเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะจิตใจท่านก็สงบและแม้ว่ากายจะปวดทุกปริเวชนาก็ตามแล้วการที่ได้เห็นทุกขเวชนาก็ทนำะไม่ได้เห็นธรรมดังสมอดีสมดีเดิมจเป็นพระสวสดาบัลอยู่แล้วนะ แต่การที่ได้พิจารณารรแต่ขณะที่ใกล้จตายเนี่ยก็ทำให้ท่านได้บุรธรรมทัานสูงสูงกว่าเดิมอาณาธระรมอันนี้ก็ถือว่าตายดีนะเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นกุศลไม่มีความโกรธจิตเนี่ยนิ่งเป็นปกติและถานยังมีปัญญาไม่ใช่แค่จิตโบอย่างเดียวจิตสว่างด้วย การตายดีเนี่ยไม่ได้ไหมายถึงว่าจิตสงบอย่างเดียวนะที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นก็คือจิตสว่างก็คือมีปัญญาเห็นธรรมอย่างพระติสาที่เล่าไปเมื่อเมื่อเช้าเนี่ยศพก็ไม่สวยนะแผนี่เป็นเป็นหนองเป็นเป็นแผลมีแผลผุกบองเต็มตัวนะส่งกลิ่นเห็นแต่ว่า ท่านเนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บางท่านก็โดนเสือกัดตายศพไม่สวนกันนะตายคนเดียวด้วยแต่ว่าก็ถือว่าตายดีนะบรรลุธรรมขั้นสูงเป็นพระอรหันต์กาตายดีของชาวพุทธเราการตายดีในทาพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนกับตายดีของชาวโลกนะหรือของคนทั่วไปนะ คนทั่วไปก็อย่าที่บอกนะตายโดยที่ทำการคนรักตายโดยไม่เจ็บไม่ปวดตายโดยสดสวยนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันเลยนะว่าจิตจะสงบนะหลับตายไปเลยไม่ได้เพราะจิตสงบเพราะว่าก่อนจะ ก่อนจะตายหัวใ จ, จจะยิดเต้นก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นเนี่ยมัน จ, จะเกิดเช่นอาจจะฝันร้ายฝันร้ายตกใจช็อกตายเนี่ยนะก็เรียกว่าตายตอนหลับเหมือนกันนะคนมาเห็นก็ว่าโอ้ตายดีนะตายแบบหลับไปเลยแต่ถ้าตายแบบช็อกตายนี่ดีไหมไม่ดีแนะ่ไม่ใช่แค่ปวดอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจจะตกใจด้วย ถ้าตกใจเนี่ยนะจิตเป็นอกุศลและจิตอกุศลเนี่ยก็สามารถจะทาให้ไปทุกติได้อันนี้เดี๋ยวจะพูดต่อไปบางคนก็ตายแบบไม่ทันตั้งตัวกลับตายก็จริง แต่พอร้วนตัวเองตายแล้วก็ยังคิดต่อไปว่ายังไม่ได้สั่งเสียลูกหลานหรือว่ายังมีความห่วงหาอะไรลูกหลานคนรับก็อาใจไม่ได้นะก็จะท่ำค ร, รวญแล้วถ้าถึงคราวที่จิตมันดับไปเกิดใหม่ ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้ก็ไปไม่ดีแต่ผมเคยสงสัยเนี่ยตายไปแล้วใจมันไปรับรู้ได้ยังไงหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าการรับรู้หมดไปเลยฝรล่งเนี่ยก็อมองการแพทย์ไบอก ม, ม, มองว่าหัวใจหยุดเต้น ก็แปลว่าตายแต่สําหรับพุทธศาสนาเนี่ยอันนั้นเป็นการแตกกับทางกายชีวิตมันมีทั้งกายและใจการตายจะมีสองมิติคือการตายทางกายและการตายทางจิตหัวใจหยุดเต้นเป็นแค่การตายทางกายจิตเนี่ยมันยังรับรู้ได้หรือพูดอย่างภาษาชาวบ้านคือจิตมันยังไม่ออกจากร่าง ร่างตายแล้วแต่จิตมันยังไม่ออกจากร่างยังรับรู้อยู่ว่ายังยังรับรู้อะไรได้แล้วพอร้วตัวงตายแล้ว<ม>อ้าแล้วลูกล่ะเมียล่ะผัวล่ะพ่อแม่ทรัพย์สมบัติล่ะงานการยังไม่ได้จัดการเลยโอ้ยนี่เขาเนี่ยทรมานเลยนะร่างกายตายแล้วแต่จใจเนี่ยเจ็บปวดปวดร้าว อย่างนี้ก็จะเรียกว่าตายดีได้ไหมนะร่างกายนี่ยมันก็หลับตายไปแล้วนะเพราะหลับตายปไปเลยไม่เจ็บไม่ปวดนะใจมันทุกข์เพราะใจยังปล่อยวางไม่ได้เดี๋ยวนี้เคพูดต่อไปนะเอ๊ะมันมีหรือว่ามันมีห ร, หรือว่าหัวใจตึงเต้นแล้วเนะี่ยแต่ว่าทําไมจิตยังรับรู้ไดนะ้หรือสมองตายไปแล้วทําไมรับรู้ได้ยังไงเพราะบางนบคนไปคิดว่าสมองตึงอันเดียวกันก็ไม่ใช่ สมองคือกายนะจิตมันอีกอันหนึ่งใจมันก็เกี่ยวโยงสัมพันธ์พูดถึงเรื่องหลับตายนี่ก็ทำให้นึกถึงคุณปู่คนหนึ่งแกอายุแปดสิบแล้วแกมีปัญหาเรื่องหัวใจก็เลยเป็นผ่าอายุแปดสิบนผ่าหัวใจนะอาจจะไปพลาสือว่าผ่าตัดพวกลิ้นหัวใจเนี่ย พอกว่ารอดกลับมาพื้นที่บ้านได้สามวันก็แกก็ตายตอนหลับใครๆก็ว่าเออแกก็ไปดีนะแต่พอกว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันแกไปเข้าอันนีถ้ถ้าเรื่องนี้เขาเล่านดจริงนะแกไปเข้าไปเข้าร่างของเพื่อนบ้านแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญเพราะว่ายั่ให้สั่งเสียลูกหลานเลย แกจะมีความอะไรเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเราเชื่อแกไปดีมั้ยแกตายตายแบบสงบเนี่ยแต่ใจเนี่ยใจไม่สงบนี่แหละคือการตายที่หลายคนปาถนานะคือว่าหลับตายไปเลยแต่เรามองแต่เพียงร่างกายว่าไม่เจ็บไม่ปวด แต่เราไม่ได้มองกลับไปว่าเล้ใจมันเจ็บมันกวดมันทุกข์ไหมที่ต้องตายเ้ากายถ้าจิตมันมันดับไปพราอกัายเออก็จบนะแต่มันไม่อย่างนั้นนะความจริงมันไม่อย่างนั้นในเรื่องศาสนาเนี่ยนะหมดลงมันไม่เรียกว่าตาย ผู้เจ้าตัดเนี่ยมีผู้เจ้าตว่าเนี่ยตายเมื่อหนึ่งอยุอุ่นอายุายและวิญญาณออกจากร่างอายออุ่นหมดอายุหมดอมดอุ่นก็คืออุณภูมิหรือว่าลมหายใจนี่อายุคือพลังชีวิตอันนี้เป็นเรื่องกายหมดลหมหัวใจหยุดเต้นแต่ถ้าวิญญาณยังไม่ออกจากร่างหรือว่าวิญญายังไม่ละล่า ง, างก็ยังเรียกว่าไม่ได้ตายซะ ตายตายสองูวิญญาณไม่ละลามาะว่ายังรับรู้ได้การตายมีสังแบบแบบพุทธเนี่ยมันจะมีตายสองระดับที่บอกมันเริ่มต้น้วยการตายทางกายก็คือหัวใจหยุดเต้นหรือว่าดืมน้ำไฟลมแตกดับขั้นต่อมาคือจิตดับไอตอนที่จิตไม่ดับนี่นะมันยังทำอะไรได้เยอะ ยังมีความมู้มาปรารถนายังมีความหวงแหนยังมีความจึดติดยังมีความมอาะไรเอาร้อนอยนความพู้มาของจิตนี้ก็ประมมาไม่ได้นะมีคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นโยมผู้หญิงจะไปลูกขาวขุ่นขาวจะไปทำบุญที่วัดแกก็เดินนะจากบ้านเนี่ยข้ามถนน บอกว่าไปไม่ถึงวัดนะโดนรถชนตายคาที่กลางถนนเลยแต่พรากว่าคนในวัดเนี่ยเห็นเธอมาที่วัดนุ่งขาวกางเกขาวคนที่เห็ น, นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอตายไปแล้วนะร่างเธอนอนกองอยู่บนถน น, นถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็แปลว่าอนะไรแปลว่า จิตเธยไม่รับรู้เล้ว่าเธอตายไปแล้วใช่ไหมกห้ในมันนอนเลยจิตเนี่ยมุ่งมั่นจะไปทําบุญมากนะก็ยังเดินไปทําบุญต่อแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ใช้กายเดิ น, นแต่ว่าจิตเนี่ยไปกายเนี่ยตายแล้วแต่จิตเนี่ยยังมุ่งมั่นที่จะไปทําบุญก็ก็ไปที่วัด น, น, นันะแล้วก็มีคนเห็นก็จําเพาะคนมางคนที่จะเห็นได้นะแต่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงก็แปลว่า เจ้ตัวไม่รู้ว่าตายแล้วเจ้าตัวก็ยังยังมุ่งมันจะไปทำบุญต่อไปแต่ถ้าเกิดสักพักเจ้าตัวคงจะรู้นะว่าตัวเองตายไปแล้วและถ้าเกิดว่ายังมีภารกิจการงานที่ยังไม่สาสสางก็คงจะทุกข์ก็คงจะเจ็บปวดแต่ถ้าเธอทาใจได้งตายก็ตายถึงเวลาแล้วปล่อยวาง อย่างนี้ก็เลี่าตายสมมูรได้อนกันนะพูดถึงเรื่องการตายจากอุปติเหตุเนี่ยในทาวทยาศาสานรก็ไม่สามารถจะตัดสินได้นะว่าเป็นการตายที่ไม่ดีอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจหรือเปล่าตายจากอุปติเหตุอาจจะตายดีก็ได้ อย่างที่เกิดกับนามสามาวันดีอย่างที่เกิดกับพระที่ท่านโดนเสือกับมีคนหนึ่งแกเล่าว่าวันนึงขีจักรยานผมจะเป็นเวลาค่ำคืนนะหรือว่าโพรเพลงพอความีรบเนี่ยพุม่มาชนแกข้างหลังแกรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรับเตียงนะ ก่อนที่จะลดจะเข้ามาชนแต่ช่วงวัดเดือนนั่นแหละมันมีปรากฏการณ์สามอย่างเกิดขึ้นที่เรารู้ได้วพราะกไม่ตายถ้าแก่ตายแล้วก็ผมไม่มีทางรู้ล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับแกแต่เพราะเนี่ยเห็นแสงสว่างว่าแล้วก็เห็นภาพหลวงพ่อที่นับถือแล้ว เจ็บมันก็เรื่องส่วนมนคคล้งวันนี่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วแป บ, บเดียวนะก่อนที่จะหมดสติพอลดรถชนสมมุติว่าถ้าแต่ว่าแกตายเนี่ยแกไม่ได้แค่เจ็บปวดถ้าแกตายกันตอนนั้นเราคิดว่าแกตายดีไหมทำไมเรคิดว่าตายดีอะอะอะ เห็นพระเสดนจบนเป็นกุศลไม่มีความกลัวนะแกไม่เล่นด้วยซ้ำว่าเจ็บหรือเปล่านะเพราะว่าอยูนี่ก็แบงไปเลยนะมาลุ้ตัวทีก็อยู่โรงพยาบาลในกรณีบบนี้อาจารย์คิว่าหลายคนนะที่ตายเพราะอุัติเหตุนนะแต่ว่าใจเขาไม่ได้ทุกข์ทรมานใจเขาสงบ อย่างนี้ก็เรียว่าตายดีได้ตายดีได้ถึงแม้ว่าศพไม่สวยก็คือว่าใจใจไม่มีความวิตกกังไม่กลัวอะไรเลยเห็นนึกถึงพระนึกถึงแต่หลวงพ่อแต่ถ้าบางคนเนี่ยพอดู้ว่าจะถูกรถชนแล้วนึกถึงลูกเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียเห็นหน้าผัวยิ่ง <c oughs> ตอกใจจะต้องจากไปแล้วเลยไอ้นี่คงไม่ดีนะ ทีเราเข้าใจเพราะนั้นเข้าใจในะว่าการตายในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าตายที่ไหนด้วยสาเหตุอะไรตายอายุเท่าไหร่แต่เราดูเืียว่าคุณภาพจิตก่อนตายนะมีสติไหมสงบไหมนะสว่างไหมสามสอเนี่ยสำคัญมากนะสติสงบแล้วก็สว่างสว่างเนี่ย หรือสอสุดท้ายนี่ยากนะแต่ว่าสองตัวแรกเนี่ยทำได้อย่างโยมผู้ชายคนที่เล่า น, นะถูก ร, รชนนะแกก็สมบนนะสติแกก็มีนะการที่แกโกรไ ป, ไปบ่อยๆหรือถูกรบาลใบ่อยๆเนี่ยถึงเวลานี้มันมันมาเลยมันทำงานเองไม่มีความกลัวไม่มีความตระหนกคนเราเนี่ยนะ บางทีเนี่ยเดินไปในป่าเนี่ยเดินไปในสวนเนี่ยเห็นอะไรที่มันเลื้อยผ่านมาเนี่ยนะ ย, ยังไม่ทันยังไม่ทันรู้เลยเป็นงูลเลยนะมันว่ากมันเป็นกลัวเลยคุณเคยั้ยสมองยังไม่ทันจะรู้เลยว่าเป็นงูนะแต่ว่าดีๆเนี่ยมันกลัวเท้าที่ฉันนักเลย คือจริง àn, roster, ian, uh, so, q, สมองคนเราเนี Fried, ärke, ่ยมันมีสองส่วนส่วนที่เป็นเหตุผลส่วนที่เป็นความรู้กับส่วนที่เป็นเรื่องของของปฏิกิริยาไอสมองส่วนที่เป็นปฏิกิริยาหรือสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมันทํางานเร็วมากสมองส่วนเหตุผลสมองส่วนความรู้ที่ที่เขาเรียก prefrontal cortex เนี่ยที่สมองส่วนหน้าเนี่ยสมองส่วนหน้าเนี่ยคือสมองส่วนเหตุผลส่วนความรู้ที่เกี่ยวกับสัญญาณ เห็นอะไรเลืองมาเนี่ยมันไม่ทันจะบอกเลยนะว่าเอ้ยนี่นี่นี่งูนะแต่สมองส่วนอารมณ์สมองส่วนเก็่ะเป็นสมองส่วนสัญชตาตญาณเนี่ยมันเตือนภัยนะมีความกลัวเกิดขึ้นมันว่าขึ้นมาแล้วก็เราก็ชะ ง, งักเท้าเราหยุดเลยคนที่จะโดนรถชนเนี่ยนะหลายคนจะเป็นอย่างนี้นะมันรู้ทันทีมันไม่รู้ไม่รู้เกิดอลไรขึ้นแต่รู้ว่ ใครจะมาถึงตัวแล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดความกลัวแต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยแกไม่มีความกลัวเลยนะเพราะว่าแกแกฝึกมาดีนะดูกับวัดนึกถึงครูบาอาจารย์สวดมนต์บ่อยๆถึงเวลาหน้าสื่อหน้าคายความเป็นความตายนะมันทำงนานกันเองงั้นชื่อเราเจริญสติเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะวันนี้เรารักษาสติ วันหน้าสติจะรักษาเราอาจจะไม่ได้รักษากายนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นความผิดพลาดของเราเลยเราไม่ได้ประมาทเลยเราไม่ได้เผลอเลยแต่ว่าคนอื่นเผลอเลยต่างหากสติมันรักษากายได้อยู่แล้วเวลาขับรถเรามีสติเวลาเราเดินเรามีสติเนี่ยเราก็ไม่หกล้มง่ายๆอันนี้สติรักษากายแต่บางครั้งเนี่ยมันรักษากายไม่ได้ทำแต่มันรักษาใจได้ นี้ถามว่าอะไรที่ทำให้คนเราตายไม่ดีนะไม่ว่าจะตายด้วยสายเหตุใดก็ตามนะอันหนึ่งก็ได้กับความกลัวกลัวหรื่องของความกลัวตายนะบางคนเนี่ยป่วย นอนกระสับกรสายไม่ใช่แค่กลัวตายนะนะันกลัวตายคนเดียวกลางคืนจะไม่ยอมนอนเพราะถ้านอนเนี่ยคนดูแลก็จะนอนด้วยก็จะหลับไปด้วยหรือว่าจจะแอบไปนอนในห้องตัว ทิ้งให้ตัวเอยู่ยคนเดียวแล้วผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยเขาจะกลัวนะว่าถ้าเกิดเขาตายตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ดูใจเลยแล้วจะเห็นเนี่ยผู้ป่วยโดเฉพาคนแก่เนี่ยหลายคนแกจะไม่ยอมนอนนะและไม่ยอมให้คนอื่นตอนด้วยจะคอยปลุกจะคอยเรียกให้มั่นใจว่า เขายังไม่หลับคนดูแลนี่จะมีความทุกข์มากถูกคนไข้เรียกตลอดเวลาคนไข้ก็ เ, เพียงแค่ได้เห็นหน้าคนดูแล ก, ก็สบายใจแล้วอันนี้เป็นอาการความกลัวนะกลัวกลัวตายไม่ใช่ตายเฉยตายคนเดียวบางคนเนี่ยตายไปดีเพนด้านนะเพราะไม่ยอมนอ แต่ถ้าเกิดว่าเขาได้รับความมั่นใจจากคนดูแลว่าจะอยู่กัเขาตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนนะเวลาคนไข้นอนเนี่ยผู้ดูแลบอกจะไม่นอนแล้วถ้าเขามั่นใจผู้ดูแลไม่ไม่นอนน ะ, ะเขาจะหลับสบายนะบา ง, งครอบครัวที่ใช้วิธี นะใช้วิธีแบ่งเวร น, นะคืนเนี่ยแปดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงก็จะ แ, แบ่งเวรกันเลยนะมากับทุกสี่ชั่วโมงนะทุกสี่ชั่วโมงลูกคนที่หนึ่งก็จะมาผ่านไปลูกคนที่สองก็มาแทนผ่าไป8ดชั่วโมงลูกคนที่สามก็มาพเพราะว่าแม่นี่หลับสบาย ถ้าที่ก่อน น, ะอ น, นั้นยังโหแกเราว่าตลอดเวลาคอยเรียกคอยปลุกนะตอนหลังนะพอแกมั่นใจว่าลูกยังดูแลแกแกแกไม่กลัวแนละ้วตอหลังเห็นลูกนั่งเฝ้าอยู่ก็ไล่ลูกไปไปตอนได้แนละ้วทาใจได้แ้่เพราะว่าร่ากายก็ตายสมม น, นะต่างกับต่างกตอนแรกนี่โง่ลูกลูกหลานนี่ปวย่าง ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยส่วนต้องใส่การจัดระบบด้วยและส่วน่ต้องทําทให้เขามั่นใจว่าเราจะดูแลเเต็มที่ความรักเนี่ยมันทาให้เขาความรักมันเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาวความความปวดแลความกลัวได้ถ้าทําให้เมั่นใจว่าลูกหลานดูลแลเขาด้วยความรักเต็มที่เนี่ยความกลัวก็จะลดลงบางคนเนี่ยกลัวจะไม่ยอมแล้วก็กลัวนะ มีนายตำรวจคนหนึ่งเนี่ยแกแกเป็นมะเร็งแล้วก็ระยะสุดท้ายลูกกับเมียก็มาช่วยเฝ้าไข่ตอนเช้าแกก็เรียกเอาโนดเอานี้บางทีก็เรียกให้มันขยับตัวขยับซ้ายสักพักเดี๋ยวให้มันขยับขวาเดี๋ยวก็ให้หมุนเตียงกลางคืนก็ไม่ยอมนอน ก็เรียกลูกเรียกเมียเรียกทั้งคืนมีช่วงหนึ่งเนี่ยลูกต้องดูแลคนเดียวเช้าก็ดูแลคิดว่าจะได้นอนกลางคืนกลาคืนพ่อก็เรียกเรียกทั้งคืนเป็นอย่างนี้ประมาณสองสามอาทิตย์พอกก็ว่าลูกสติตแตกนะเพ่อพ่อเอาลูกนอนนี่ตลอดเวลา เราไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอยเครียดอย่างนี้ลูกนี่จับมือจับคอพ่อขยาวเลยนะเจอยอย้าจอ ย, อยัางไงเจ้ายังไงไม่ไหวแล้วทำไมไม่อยู่นิ่งๆเจแล้วลูกก็เสียใจถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนไขย ถ้ามาช่วเป็นเพราะ ค, คนไข้หรือแกกลัวแกปวตายแต่แกยอมรับไม่ได้ว่าแกปวดตายเพราแกเป็นตำรวจแกเป็นผู้ชายจะไป็นนายตำรวจนะเป็นตำรวจก็ไม่ปวตายแล้วพอไม่ยอมรับความตายเนี่ยแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมบอกความในใจให้ใครรู้แกก็จะมีอาการแบบนี้และแบบนี้นี่ถ้าเป็นนี่ไปเรื่อยเรื่อยนี่ตายไม่สงบนะความกลัว ทำให้ตัดทำให้ไม่ตายดีแล้วการต่อมาคือความโกรธความโกรธปวดลูกปวดหลานปวดชะตากรรมมีบางคนนะแกรักสุขภาพมากเลยกลัวมะเร็งแกก็เลยกินอาหารธรรมชาติกินอาหารชีวิตจิตกินอาหารออร์แกนิก ออกกำลังกายเป็นประจำอาหารเสริมสาหรายเกลียวทองโคคิวเทนโอเมกาา้าสามอะไรพวก น, นี้แกกินหมดเลยแพงเท่าไหร่แก ก, ก็กินนะแล้วแกก็จะเป็นมะเร็งจะโกรธมากเลยนะ แล้วแกที่แลวแกไม่ควรเป็นรูร้สึกาโกรธโกรธชะตากรรมโกรธเหมือนก็ว่าถูกหลอกไอคนที่กินเหล้าสุกุลี่กินเนื้อนะกินพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นี่มันมันไม่เป็นอะไรอ่รู้งี้กินไปได้บางคนไอแกมันคิดแบบนี้นะแอแก็โกรธนะแกไม่ยอมรับยอมรับให้ตัวเองเกิดมระเร็งเออะโวยๆ บุญกิใส่หมอแสเทียาบาลแล้วแกเป็นยู่จนตายนะตายแกก็ไม่สงบ น, นะคนที่ทำบุญมาเยอะๆก็เป็นอย่างนี้มีเหมือนกันนะอุตส่าห์รักษาศีลทำบุญให้ทานด้วยความเชื่อว่าจะมีอายุบรรณสุขาพระอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วย พราะว่า50ก็เป็นมะเร็งผิดหวังมากรู้สึกโกรธแค้นทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองก็เอะอะบุญหิดะสักษาษาระสายกลาดเกลื่อตายทาไมสเสมอนนกันคนที่ทำบุญ คนที่ศรัทธาในศาสนามากๆเนี่ยละวางใจผิดนะพอเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตเกิดความกังวลวนไปในชีวิตเนี่ยสวิงกลับนะเยอะเลยนะว่าเราจะเป็นได้ข่าวเมื่อสามสี่เดือนก่อนมีวงกลับหลังคนหนึ่งนะ แกแกคงเป็นคนที่สัตาในพุทธศาสนามากแล้วแกสัตย์ทนงพ่ะโตนะแกกับคำนังเรื่องหลวงพระโตชื่อครัวโตและหนังนี่เจงแกเป็นนี่สามสิบล้านเป็นนี้ย่าเดียร์ม่อนะแฟนทิ้งแกเลยประกาศเลยแกไม่นักถือพุทธศาสนานะ พ่อตั้งแต่นับถือตั้งแต่อุตสาหทุ่มเทพก็บศาสนาชีวิตไม่ได้ดีขึ้นเลยนะมีแต่ชิบหายขายตัวแล้วถูกเบียดทิ้งอุปนับถือนะศาสนาแบบนี้ก็มีนะคือพอเป็นที่สิงขึ้นมาเนี่ยนะก็ปราดเปรื่องโกรแค้นศาสนา คนที่เป็นมะเงหลายคนนะก็กราบเกลื่อโกรแค้นนะศาสนาหรือ ก, ร ก, รกุโกรธแค้นบุญกุศลว่าาทำดีไม่ได้ดีนี่ก็เป็นความโกรธอย่างหนึ่งนะที่มันทำให้ตายไ ม, ม่สงบบนที่โกรธหัวมาที่โกรธหัวเนี่ยทรยศหักหลังนอกจากมีเงินน้อยแล้วยังโกงเงินไปหลายสิบล้าน ผ่านไปสามสิบปีตั้งแต่ตัวอายุสี่สิบจนเจ็ดสิบก็ยังไม่หายโกรธและพอจะตายก็ยงเก็บความโกรธเอาไว้ก็ตายไม่สงบนะแต่ที่เป็นกันมาน่คือความห่วงและความห่วงห่วงลูกนะห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงคนรักห่วงสารพัด ก, ก็ทำให้ตายไม่ดี บางคนเนี่ยนะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็เฝ้าแต่พูดถึงลูกคนสุดท้องเป็นหัวลูกคนสุดท้องอายุสิบขวบลูกชายก็จะเป็นอย่างพี่ชายพี่ชายเนี่ติดยาแล้วติดคุกสองคนก็พูดถึงลูกคนสุดท้องนั่นแหละจนตายตายแล้ว ต, ตาก็เปิดตาเปิดนะทยางานพยายามปิดตาเท่าไหร่ก็ไม่ปิด จนวันรุ่ขึ้นเนี่ยญากิผู้ยหญมารับศพเห็นตาเปิดตาเบิกค้างเนี่ยเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าเป็นพ่ออะไรจึงจุดทูกบอกผู้ตายว่าเรื่องหลานคสุดท้องไม่ต้องห่วงนะจะดูแลเสร็จแล้วก็ปิดเปลือกตาพราว่าปิดได้นระัเพราะที่ผ่านมาคืนนี้น อันนี้ก็สันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยตายตามไม่หลักเพราะว่าขววงบ้างคนมีอาการกระสับกระส่ายเห็นชาตตั้งแต่ก่อนตายกระสับกระสายนี้ไม่ได้เพราะเจ็บเพราะปวดอะไรนันถามไปจริงๆก็จะพบว่าเป็นเพราะความลววง อลูกบางทีแค่ภรรยาแค่สามีเนี่ยไปบอกภรรยาที่กำลังจะตายนะว่าลูกนะจะดูแลลูกให้จะดูแลลูกอย่างดีเลยเพียงแค่พูดอย่างนี้เนี่ยคนไขยชื่อเป็นภรรยาก็สงบได้แต่บางทีต้องมีมากกว่า น, นั้นนะมีเหตุผลมากกว่า น, นั้นมีพนดายความคนหนึ่งนะ แกก็อาการแกก็หนักนะอยู่ในระยะสุดท้ายนะกษษษษะระสบกระสายภรรยาก็ย้ำกับสามีว่าจะดูแลลูกแกรับลูกมากนะคนไข้แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เลยมาปรึกษากันระหว่างภรรยาย แล้วก็น้องชายน้องสาวของคนไข้แล้วก็หมอและพยาบาลสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรคนไข้ทำไมกระสับกระสา่ายนาสาวก็เลยพูดน้องสาวของคนไข้ก็ก็เลยพูดขึ้นมาว่าพี่ชายเนี่ยคือคนไข้เนี่ยกลัวว่าทัพสมบัติที่ให้ลูกเนี่ย มันจะตกไปเป็นของแฟนใหม่ของเมียนะสมบัติมีเยอะอพอภรรยาลูกเนี่ยก็เลยไปบอกสามีเลยนะบอกว่าสมบัติที่ให้กับลูกเนี่ยซึ่งยังเล็กอยู่เนี่นะขอให้หวางใจว่าจะยังเป็นของเขาต่อไปจนโต ให้ทำในชื่อเขาซะเพื่อไป็หลับประกันวาถึงแม้ว่าอาริยมีแฟนใหม่นะแล้วก็มีลูกสาวสมบัติเหล่านั้นก็จะไม่ตกเป็นของแฟนใหม่หรือว่าเป็นของลูกที่จะเกิดขึ้นคือพูดให้มั่นใจก็อบอกคนไข้นี่ก็สงบเลยนะสงบ แสดงว่าที่กระสับกรส่ยเป็นมีความวุ่นมีความไม่มีความวิตกแต่ถ้าเกิดว่าภรรยาเนี่ยไม่ไม่พูดหรือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคนไข้ก็คงจะกระสับกรส่ายไปจนตายแล้วก็ตายแล้วก็อาจจะไปปกติก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราก็พอนต่อไปความวิตกความวุ่นวุ่วงานก็ทำให้ ก็สับระสาทนทุรนทุรายได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่วยให้ตายดีได้ไ่อจะความห่วงแล้วก็มีความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดเบียบางนหนึ่งแกเป็นมะเร็งปอดแล้ว เอาอยู่ว่าแกก็แย่ลงแย่ลงสัญญาณชีพก็ตกไปเรื่อยๆแต่แกก็ไม่ยอมตายตาก็เปิดอยู่นั่นแหละ <c oughs> คนเราเวลาเวลาไม่ยอมตายหรือมีปัญหาในใจิตใจเนี่ยจะมีอาการหลายอย่างเช่นกระสับกระส่ายตาเบิกโลงหรือว่าถ้าเป็นโคมา่าก็น้ำตาไหล หรือพอเวลาเจอเจอใครบางคนหรือไม่ก็ประสับกระสายเพยบบางวันนี้แกก็ตามบิกโครงจนกระทั่งเพื่อลุ่นน้องมาถึงมาเยี่ยมเป็นเพยาบางเหมือนกันพอแกเห็นเนี่ยแกก็พยายามรวบรวมกําลังนะแล้วก็พูดกับพยาบางลุ่นน้องว่าขอโทษเพราะว่าเคยเข้าใจผิดว่าเธอเป็นที่กระสานมีนั่งคงทําอะไรไม่ดีกับเธอไว้คราวนี้ รู้ความจริงแล้วก็อยากจะขอโทษพยาบาลร่วม น, นอนก็บอกว่าหนูให้อภัยพี่นะหนูเข้าใจที่ไม่ถือโทษตกวดเครื่องเลยแกก็สบายใจนะแล้วแกก็ปิดตาแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงเองนะแกก็ไปมีชายหนุ่มคนหนึ่งแกขับรถชน สบไ ฟ, ฟฟ้าชนต้นไม้ที่ประจวบแล้วก็พว่าสมองตายก็มารักษาที่ศรีราญตัวที่อยู่ศรีราาเนี่ยสามสี่วันอาการกไม่ดีขึ้นนะแต่ที่มันมีลักษาพิเศษคือ ว, ว่าเวลาแม่มาเนี่ยแกจะมีน้ำตาไหลเฉพาะกับแม่ก็เลยปรึกษาหรื่าเป็นเพราะอะไร แม่ก็พูดว่าเนี่ยลูปเคยบอกแม่ว่าลับปากว่าจะส่งเสียน้องชายเมื่อเรียนจบนเรียนจบที่ไม่ท้อไลายแล้วไม่ถึงปีเลยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยได้นําแม่ก็ให้บอกรูกว่าแม่จะดูแลค่ารพของน้องชา ย, ยไม่ต้องเป็นห่วงพอพูดเนี่ยเพราะว่าคนไทยก็ไม่มีอาการตัองตอะไรเล ย, เยแล้ววันลง้นพี่ก็กจับ เรืงวารู้สึกผิดเนี่ยก็เป็นเหตุทำให้ตายไม่ดีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ความอารมณ์ความรสี่อย่างเนี่ยนะความกลัวความโกรธ ค, ความห่วงหวงและความรู้สึกผิดเนี่ยอันเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมันจะเป็นปัญหาที่ก่อของนใจและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับพวกเราในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว คนรารอยู่ไมมีความาสุขก็ก็สอารมณ์นี่เลยแต่ถ้าไม่รู้จักจัดจ่ายกับวันนะถึงเวลาจะตายก็มาเล่นงานใจแต่ตอนนั้นเนี่ยสติสตานก็อ่อนแล้วก็ยิ่งโดนอารมณ์เหล่านี้เล่นงานหนักเข้าไปใหญ่ถ้าตอนที่เราไม่จะไม่ป่วยนะเรายัางปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาเล่นงานใจได้นะถึงตอนนั้นนะถึงตอนป่วยนะก็หมดท่า ถ้าอยากจะอยาจะตายดีตายสงบนะก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้มาตั้งตั้งแต่เด๋ยนนี้ตั้งแต่หาที่เรายมีสุขภาพดีซึ่งวิธีการเรียกว่าง่ายก็นะ้คือการปล่อยวางปล่อยวางหรือว่าการบางอย่างก็ต้องใช้การแผดเมตตาหรือการให้อภยัย การสุดท้ายจะไม่ตายไม่ดีความเจ็บความปวดแต่ว่าความเจ็บความปวดเนี่ยต่มาว่าเป็นเป็นเป็นปัญหาที่สำคัญน้อยที่สุดเพราะว่ามันมีวิธีการที่เยียวยาเดีย๋ยวนี้ก็อยู่ยาก็ดีขึ้นนะช่วยลดความปวดได้แต่ว่าอยู่ยาก็ มีข้อจำกัด น, นะเพราะว่าอย่างที่เราทราบนะผู้ป่วยมะเร็งหลายคนก็ปวดต้นยาเอาไม่อยู่แต่ความปวดทางกายเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ทางใจและถ้าระาวาังใจถูกวางใจเป็นหรือว่าเราฝึกจิตไว้ดีนะไอความปวดมันก็จะเป็นปัญหาน้อย ที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่เพราะมันมีความทุกข์ใจด้วยเหตุผลสี่ประการอย่างเทตมาว่าอนนีเนี่ยถ้าว่าไม่มีสี่อาการสี่อารมณ์เหล่านี้รวมทั้งมีวิธีการเยียวยาวความเกิดความปวดตามสมควรการตายดีก็หวังได้ก็คือว่าตายอย่างมีสติตายแบบไม่ทุรทุราย น, นี่ตายดีเนี่ยเราไม่ได้ดูเท่านั้นเราดูต่อไปว่าตายแล้วไปไหนด้วยเราจะมีคาว่าสุขติกับทุกติทุกติกคือไปดีนะไปพบภูมิที่ดีนะเวลาพวกเราไปดีไปดีเนี่ยก็คือไปสุกติไปไม่ดีคือไปทุกติตายดีเรื่อศาสนาเนี่ยสรุปคือว่ามีสองช่วงก็คือว่าก่อนตายเนี่ยคุณภาพจิตเป็นอย่างไร อาการกษะสับกระส่ายทุรศทุทลาไม่รู้ว่าใจสงบนะประการต่อมาคือว่าตายแล้วไปไหนซึ่งมันสัมพันธ์กันนะถ้าใจสงมบมมใจเป็นกุศลก็ไปดีถ้าใจไม่สงบใจไม่เป็นกุศลมีความโกรธมีความกลัวมีความรู้สึกผิดมีความโง่าาาหาอะไรก็ไปไม่ดีไปสุดทุกติตัวชีขาดเนี่ยก็คือจิตสุดท้ายจิตสุดท้าย อันนี้เป็นคําชาวบ้านะมันจิตสุดท้ายที่ก็มาถึงอาสนกรรมหรือกรรมก่อตายกรรมในที่นี่ก็เน้นที่มนโนกรรมเป็นหลักเพราะว่าตอนจะ ต, ตายนี่มันกายกรรมวัจีกรรมแทบจทําอะไรไม่ได้นะมันมีแต่มนโนกรรมตอนจะ ต, ตายจิตสุดทา้ายเนี่ยถ้ามีความห่วงหาอะไรก็ไปไม่ดีได้อย่างเช่นในพระไตรปิฎกพูดถึงพระรูปหนึ่งนะชื่อติสสกันติสสามีหลายติสสานะ ถ้าได้จีวรใหม่มาจีวรปันนี้สมัยก่อนจีวรเป็นของอายากยิ่งเป็นผ้าเนื้อปันนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าไแม่ทันได้คลองจีวรนั้นเนี่ยก็มรดกผ้ากระทันหันจิตสุดท้ายนี่เป็นนึถึงจีวรอาจจะด้วยความเสียใจยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้หรือว่าเป็นด้วยความรู้สึกเสียใจยที่ไม่ได้ส่องสัทธาขอญาติโยม ที่สาวที่มาถวายจีวรให้ไอ้ความห่วงหาอะไรเนี่ยนะความหวงแผลนเป็นอกุศลนะจิตสุดท้ายีถ้ามีความหวงแผลเนี้ยก็แปบายก็ไปเกิดเป็นเลนในจีวร น, นั่นแหละเป็นเลนในจีวรจนกระทั่งหมดอายุอายุของเลนเจดวันไอ้กรรมดีที่ทําตอนก่อนตายก็มุนส่งให้ไปเกิดในสวรรค์ แต้เวลาจะตายเนี่ยนะการปล่อยวางสำคัญเพราะถ้าไม่เ ไ, ไม่วางเนี่ยนะจิตมันก็จะไปวนเวียนอยู่กับทรัพย์สมบัติหรือว่าคนรักนะที่เคยหวงแหนเอาไว้ความระสุกผิดก็ทำให้ไปไม่ดีในพระไตรปิฎกก็เล่าถึงนางมาริกานางมาริกาเทวี เป็นเฮสีพระเจ้าประสิทธิโกศล ส, สามเมดีที่เป็นเหสีพระเจ้าอุเทนนะกูโกสมพีแต่ว่านาเมริกาเทวีเนี่ยเป็นเฮสีพระเจ้าประสิทธิโกศลเชต ว, วันอ้าสสวัดถีนาเมริกาเทวีเป็นคนดีชวนชักชวนพระเจ้าประสิทธิโกศลให้ให้มาฝ่ายธรรมหันมานับถือพระรัตนตรยัย แต่ว่ า, าตายเร็วตอนที่ตายเนี่ยแทนที่จะนึกถึงความดีที่ได้ทนะําะไปนึกถึงความไม่ดีบางอย่างที่ทำเอาไว้ก็คือไปโกหกพระเจ้าประสิฐที่โกสุในเรื่องบางเรื่องที่มันน่าอายไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าเธอโกหกรอดวโ ก, กได้สําเร็จตอนตายไปนึกถึงนันเนี้ยจิตเป็นจิตก็เศร้หมองเพราะก็เศร้หมองก็ตายก็ไปเกิดในนรกเลย แต่ว่าอยู่ในนรกได้เจวันนะความดีที่ทํเอาไว้ก็หนุนส่งให้ได้ไปเกิดในสวรรค์นในที่สุดคือกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเรือและแต่สง่งผลทตรงนั้นนะแต่กรรมมีหลายชนิดกรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรร ม, มอย่างให้ผลช้ากรรมที่ให้ผลเร็วก็คืออสัน ก, กรรม ถ้าก่อตายเนี่ยจิตเป็นกุศลไปดีทันทีถ้าจิตเป็นอกุศลไปอาวยทันทีอันนี้อสานกรรมยกเว้นคนที่ทำอนานันตริยกรรมคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่พระ อ, อรหันต์หรือว่าทําให้ผู้เจ้าพ่อเลือดเนี่ย น, นีเรียกอนันตริยกรรมไม่เกี่ยวค่าตัวตายนะค่าตัวตายนี่ไม่ใช่อนานันตริยกรรมนะมันเป็นอัต ว, วิบัตกรรม ซึงไม่ได้แปลว่าจะต้องตงนกนรกเสมอไปนะอันนี้ก็พูดแทรกน่อยนะว่ามีภาพบรรลุโวเดียใครฆ่าตัวตายเนี่ยต้องตงนกนรกห้าร้อยชาติอะไรต่างอันนี้ไม่รู้เอามาจากไหนนะเพราะว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเชื่อไหมมีบางท่านฆ่าตัวตายแล้วบรรลุธรรมเป็นภาพล่ะหันนะแต่ไม่ใช่หรอก บอรูธ้ธรรมเป็นพระหลเพราะคาตัวตายนะใ้ฆาตัวตายนี่ไม่ดีอยู่แล้วล่ะแต่ตอนจะตายเนี่ยนะเกิดได้สติพิจารณาทุกขุณเวทนาที่เกิดขึ้นเกิดปัญญาเห็นแจ่มแจ้งให็นไตรล้วจิต ก, ก็หลุดพ้นเป็นพระหัเลยเช่นพระโคติ ก, การพระสัพพัทามีนะ ในแถลคัตฐาชแลีคัต า, านจะมีเรื่องราวของผ้าที่และพิสุทธิที่ฆ่าตัวตายแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นผ้าระแต่ไม่ใช่เพราะเพราะฆ่าตัวตายนะแต่เพราะว่าจิตมันพลิกกลับได้ทันอันที่บอกว่าฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยอบายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ถูกนะแต่ว่าไปแล้วฆ่าตัวตายก็ยังเป็นกรรมที่เบาวกว่าฆ่าคนตายที่สั่ง อาสนกรรมเนี่ยให้ผลทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีประเพณีนะเวลาต่อตายเนี่ยจะต้องมีมุนพระมานำทางผู้ใกล้ตายมาบอกอรหังนะเพราะว่าถ้าได้ฟังธรรมหรือว่าได้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยอรหังก็คืออรหังสมมาสมพุทธโธเนี่ยก็ทำให้จิตเป็นกุศลได้ง่าย มีพรานคนหนึ่งในสายอุธการแกฆ่าสัตว์ไปเยอะนะตอนจะตายแกเห็นเห็นสัตว์เนี่ยเห็นหมาเนี่ยจะมามนไล่มากัดแกก็ตะโกนเอามูโบกไล่อันนี้เป็นนิมิแตแปลว่าจะไปอาบายนะคือคตินิมิตคตินิมิตคือนิมิตที่จะบอกว่าจะไปไหนเมื่อตายไป แต่โชคดีนะคนที่ดูแลเนี่ยก็คือลูกซึ่งเป็นพระให้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยพระสนะถ้ารู้ว่าพ่อเนี่ยเตือนนิมิตกตินิมิตที่จะไปไม่ดีก็เลยน้อมใจให้หรืลึกถึงพระพุทธเจ้าใจก็น้อมได้สำเร็จนะที่ก็เป็นผุษบนิมิตก็เปลี่ยนเลยนะเป็นเทพที่ดาแล้วก็หมดลม มื่อหม ล, ลก็ได้จะเกิดในสวรรค์แต่กรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยกรรมกรรมกรรมเลวทีาไว้เนี่ยไม่ใช่หายไปนะมันตามมาทีหลังนะแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่าจะยังไงเนี่ยขอให้ไปดีไว้ก่อนจะไปเกิดเป็นมนุษย์นะส่วนกรรมชั่วที่ตามมาทีหลังเนี่ยนั่นเป็นเรื่องรองเช่นเกิดเป็นมนุษย์แล้วอาจจะป่วยอาจจะพิการ แต่อน้อยเนี่ยก็ยังสามารถจะบรรลุธรรมได้ยังไงก็ขอให้ไปดีไปไปดีไว้ก่อนส่วนกรรมชั่วที่ตามมาเนี่ยนะค่อยไปว่างทีหลังนะเพราะในทางพุทศาสนาถือวการเป็นรุษเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเป็นโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้พ้นทุกข์ได้อย่างแล้วก็ตามเนี่ยถ้าทำชั่วมากๆมีบางที นำใจยังไงก็ไม่สำเร็จนะมีพระรุ่งุ่งเนี่ยนะถ้ามาบวดตอนแก่แล้วก็พอจะตายเนี่ยแกก็รครวญครามีความกลัวมีความมีอารมณ์หลายอย่างพระท่านก็พยายามนำทางให้ไปดีแต่พูดอย่างไรใจก็นึกไปไม่ได้เลยเอ็นแต่หน้าคนตายที่ตัวเองเคยฆ่า เคยฆ่าตอนในคราว่าและความสึกผิดเนี่ยนะมันก็มันก็หวนมันก็กลกให้เกิดนิมิตขึ้นมาสตินิ่ิตนี่เราเรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตนะกรรมนิมิตจะเกิดก่อนสตินิมิตนะกรรมนิมิตก็คือนิมิตเกี่ยวกับการกระทําที่ฝังใจและอประทับใจก็ได้ถ้าฝังมีทั้งกรรมมีทั้งนิมิตที่ดีและไม่ดีนิมิตที่ไม่ดีก็เช่นเห็นหน้าคนตายได้ยินเสียงสัตว์ที่ตัวเองเคยฆ่า เน่ยพราะค่สัตว์เป็นอาชีพเช่นวัวหมูวัวมัววัวหมูไก่บางทีพฤติกรรมก็เหมือนกับว่ากลับไปเป็นเหมือนกษัตริย์ที่เราเคยฆ่าอย่างมีคนที่บ่อนไก่เนี่ยนะคนหนึ่งเนี่ยพอแกชอบทรมานไก่มากนะบ่อนไก่ก็กรุงเทพนะทรมานไก่มากตอนจะตายเนี่ยนะแกไม่รู้ตัวยนะแกก็มือเนี่ยชนเนี้ยเป๊กขอเป๊กข้อเป๊กข้อทำเนี่ย มือจนทั่งมือนี่เชือกโลดโชคเลือดเลยนะแต่ก็ห้ามไม่ได้มันไม่รู้ตัวแล้วไอ้เป็กพ่อเป็พอี่ยคือการคนพฤติกรรมที่ทำกไก่ลุ่นไก่อันนี้ก็เป็นกรรมนิมิต น, นะก็ไปไม่ดีคนบางคนเนี่ยทาชั่วแล้วเนี่ยแม้จะโน้มใจยังไงมันก็ไปไม่ดีหรือนึกไม่ถึงพรารัตนตรยัย หลวงปู่ดู่ท่าเคยเล่ามีผู้ชายคนหน่งแกแกทรมาปรปลามากเลยตอนจะตายเนี่ยก็มีคนมาบอกมาบอกอารหันะแ ง, งแบบ ก, กก็ึูกเหนือปลาในกระชังเวลาน้องมาบอกมาบอกมนันนาพุทโธแกก็บอกปาชโปาชดโดยอยในครัวนะนะคือ จะละหังหรือพุโทโธเนี่ยแกก็ต้องกินแต่ปลาปลาปลาชดโดหรือปลาที่อยู่ในกระชังเพราะเรียกว่าทำชั่วแล้วเนี่ยจะไปจะไปจะไปไปเปลี่ยนใจพลิกพลิกจิตตอนจะตายนี่มัยนยากจะไปรอให้มีคนมานำให้ไปกุศลนี่มัษษยากแล้วเราต้องทำกรรมดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย แล้วขณดกันก็ต้องฝึกใจปล่อยวางด้วยทำกรรมดีแต่ว่าตอนจะตายนี่ปล่อยวางไม่ถูกปล่อยวางไม่เป็ น, นยอย่างอางนางมรดิกาเนี่นก็ไปรป라이่ใต่เราต้องเตรียมตัวที่จะฝึกจิตปล่อยวางเพื่อเน่ยทำแต่ความดีอย่ า, า, าเยงเนี่ยต้องฝึกต้องฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลได้ ก็พอเป็นสังเขตนะว่าตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดได้อย่างไรนะแล้วก็มันมีความหมายแค่ไหนไอเรื่องไปที่ไหนเนี่ยเราไม่รู้นะหลังตายเราเราไม่รู้หรอกว่ากุศุชนของเราเราไม่รู้หรอกว่าคนรักของเราเนี่ยเขาไปดีคือไปที่ไหนแต่ที่เรารู้ได้คือว่าก่อนตานย เขาสงบเขาทุลนทุลักรบสัปส่ายหรือเปล่าดังนั้นช่วงโมเมนต์ช่วงอะงไรนั้นคือช่วงที่เรายังทำอะไรให้กับเขาได้ได้มากที่สุดนะช่วยเขาปล่อยวางอารมณ์นะไม่เป็นความโกรธความกลั ว, ค ว, วความหวงความพ่วงความจึกผิดอย่าไป้เป็นหน้าที่ของหมออย่างเดียวหรือพยาบาลอย่างเดียว พอหมอเพียบบาก็ทํทำแต่เรื่องกายและบางทีการทําการดูแลทางกายของเขานี่ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นทุกข์ใจมากขึ้นก็ได้เราต้องช่วยกันตรงนี้ด้วยในเรื่องของใจเอาแล้วก็พอสภัยด้วยเสียงปรบมือ